คือถ้าคือการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยนะเราต้องรู้สภาวะนี่ส่วนใหญ่พวกเราที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยเราไปเพ่งเอาเกือบร้อยละร้อยเลยทุกสำนักนะไม่มีเลือกเลยไม่ทุกสำนักเหมือนเหมือนกันคืออาจารย์บอกให้ให้รู้รูปนามตามความเป็นจริงส่วนมากก็เพ่งเอาเนี่ยเราจะต้องรู้สภาวะให้ได้สภาวะตัวหลักๆเนี่ยมีอยู่หลายตัว อันหนึ่งเพ่งนะอีอันหนึ่งคือเผลอ<ช>เผลอเนี่ยเผลอไปทางตาเผลอไปทางหูนะจะมุกลิ้นกายใจเผลอทางใจเนี่ยเผลอเพ่งก็เผลอทางใจอย่างหนึง่งนะถัดจากนั้นก็หัดรู้สภาวะต่างๆเช่นความสุขยังไงความทุกข์เป็นยังไงกุศนะลอะกุศ ล, ลเป็นยังไงคือถ้าเห็นตัวสภาวะแล้วคราวนี้สภาวะจะแสดงธรรมาให้เราดูเองเราไม่ต้องทำอะไรละ นะเช่นเลยความสุขเกิดขึ้นเราจะเห็นเลยมันมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันไปนะมีเหตุมันเกิดหมดเหตุมันดับความทุกข์ก็เหมือนกันกุศลนะกุศลก็เหมือนกันหน้าที่ของเราจุดสําคัญคือหัดเห็นสภาวะให้ได้นี่พอเราเห็นสภาวะมากเข้ามากเข้าก็จะมีจุดอ่อนอีกข้อหนึ่งคือเห็นนานๆไปมักจะถล่มลงไปเห็นนะตัวนี้ก็ต้องรู้จักอีกอย่าให้ถล่มลงไปจิตต้องตั้งมั่น ส่วนมากพอดูสภาวะก็ดูดูคล้ายๆชะโ ง, งกดูขมำลงไปส่วนนี้ผิดอีกอย่างที่พวกเราไปยกเท้าย่างเท้าจิตเราขมำลงไปต้องตั้งมั่นนี่พอเราตั้งมั่นขึ้นมาเนี้ยเราให้ดูลงไปนะคือการปฏิบัติเนี้ยเรามุง่งไปละความเป็นเราความเป็นเราอยู่ตรงไหนเนี้ยก็รู้ลงไปตรงนั้นดูลงไป อันนี้จิตมันดูของมันเองนะไม่ต้องไม่ต้องพยายามดูอะไรหรอคือความเป็นเราเนี่ยถ้าไม่ใช่กายเป็นเราก็จิตเป็นเรามีอยู่สองงานเพราะงั้นเวลาปฏิบัติเราก็ต้องดูรู้กายรู้จิตจะเห็นว่าไม่เป็นเรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมัยเรานั่งเนี่ยนั่งรูปนั่งเนี่ยรู้ด้วยใจนะรู้ด้วยใจแต่ว่าเราจะมีความรู้สึกความเป็นเราอยู่ที่ไหนเราจะคิดว่านี่ ตัวของเรานั่งนะความเป็นเราอยู่ที่กายนี้เพราะ ง, งั้นให้เรารู้ลงไปเลยนะรู้ลงไปในกายนะี้นี่มันเป็นแค่รูปนั่งแต่อย่าคิดนะเป็นเรื่องมันัสิการใจมันัสิการใจนี้พูดยากที่สุดเลยมันไม่ใช่คิดถ้าคิดแล้วผิดเลยแล้วนะมันแค่เป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกว่านี่เป็นรูปไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นธาตุเป็นสิ่งที่ถูกรู้อะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียกคือไม่ใช่ตัวเรา นะแล้วแต่งแง่มุมถ้าเป็นสายวัดป่าเขาบอกว่าเห็นสิ่งที่ถูกรู้นั่นะก็คือไม่ใช่เราเหมือนกันนะร่างกายก็ถูกรู้เนี่ยเวทนาทุกขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายอันนี้ก็ถูกรูนะ้ก็จะเห็นว่าไม่ใช่เราเพราะงั้นเวลาถ้าสำนวนวัดป่าเนี่ยอะไรถูกรู้เนะี่ยรู้ลงไปเลยนะอันนี้ก็ถูกรู้อันนี้ก็ถูกรู้ไม่ใช่เราทั้งหมดเลย ถ้าสำนวนสายทางอาจารย์แนบเขบอกนี่เป็นรูปรูปนั่งไม่ใช่เรานั่งภาษาจะต่างกันแต่การที่วางใจการวางใจเนี่จะวางลักษณะเดียวกันคือเห็นว่ามันมันเป็นของถูกรู้ถูกดูเนี่ยการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาจิตเราไปรู้อะไรเข้าเนี่ยรู้ลงไปเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่าขำมอย่าถลํ า, าลงไป ก่อนจะรู้อย่าไปดักไว้ก่อนนะระหว่างรู้อย่าถลำลงไปรู้แล้วไม่ทำอะไรหรอกเห็นมันเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นเองพอเราเห็นได้อย่างนี้แล้วก็เขาจะแสดงธรรมะให้เราดูล่นะเราไม่มีหน้าที่คิดธรรมะนะเพราะงั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าเริ่มต้นเลยนะสิ่งแรกที่เราต้องเรียนนะบทเรียนทางศาสนาพูดมันสามบทเรียน สีและสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาอย่างการที่เราเที่ยวไปรู้รูปรู้นามรู้อะไรนี่เป็นตัวปัญญาสิกขาก่อนจะมีปัญญาสิกขาต้องมีจิตสิกขาก่อนคือต้องเรียนให้รู้ว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงมีวิธีทำจิตให้ตั้งมั่นก็มีสองทางของสมถายานิที่ทำฌานจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอถอยออกจากฌานจะเห็นเลยว่าอารมณ์ในองฌานนั้นดับไปแล้ว เช่นจิตสุขเอกคตาดับไปเกิดจิตที่สายไปสายมาเกิดจิตที่เป็นกุศลเป็นอกุศลนี่จ็มาดูสภาวะออกนะอางนี้มันจะเจริญปัญญาได้นะจิตตั้งมั่นซะก่อนหรืออย่างพวกเราถ้าไม่ทำฌานเราทาความรู้สึกตัวนะเรารู้ทันจิตที่เผลอไปจิต ท, ที่หลงไปจิต ท, ที่ไหลไปนี่หัดรู้ไปด้วยเช่นจิตไปเพ่งเป็นอย่างนี้จิตเผลอเป็นอย่างนี้หัด ในสุดจิตจะรู้สึกตัวจะตั้งมัน่นจะรู้สึกไหมมันรู้สึกตัวได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะนจะตั้งมั่นมากขึ้นพอมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อไปนี้มันพร้อมที่จ ะ, จะเจริญปัญญาแล้วคือนะถ้าเขาเริ่มเคลื่อนไปเขาเริ่มไหลไปนะเขาไหลลงแปกสมมติว่าเราส่งเข้าไปดูอะไรข้างในใจชอบส่งเห็นไหมเวลาเราปฏิบัติเราจะชอบส่งเข้าข้างในปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าพอทันทีที่ส่งเข้าข้างในเข้าไปทํางานเนี่ยความทุกข์จะเกิด อ๋อความทุกข์มันเกิดเพราะเห็นนี่เองมันความทุกข์มันเกิดเพราะว่าจิตมันมีความทยานเข้าไปยึดอารมณ์แล้วเข้าไปทํางานข้างในเรียกว่าไปสร้างภพความทุกข์มันเกิดนี่ตัวปัญญาเน้นตัวแรกที่ต้องเรียนให้ได้ไอ้ศีลที่ก็ต้องทําให้ได้อะนะศีลมันปัดเครื่องพรุงพลังทางใจตัดอย่างนั้นต้องมาเรียนเรื่องจิตสิกขาเนี่ยจะมาเห็นว่ารุ่นหลังๆเราเนี่ยล้าเลย เ่จิตสิกขาไปเห็นสมัยก่อนครูบาอาจารย์วัดป่าทำฌานกันทำสมาธิทำฌานเดีอถอยเอาจากฌานมาเจริญสติเดี๋ยวนี้เราเล่นทางลัดนะแบบฟาร์สฟูดกรรมฐานฟาร์สฟูดเหมือนกันถึงก็ดูรูปดูนามเข้าไปเลยใจไม่ตั้งมั่น้ถ็ถลับลงไปดูถลับลงไปดูไม่เกิดปัญญาอะไรถ้าใจไม่ตั้งมั่น ใจ ต, ต้องตั้งมั่นอ่อนต้องแคล่วว่องไวควรแก่การงานจิตชนิดนี้ถึงต้องทำให้มีให้ได้ไม่งั้นเราจะไม่สามารถสักว่ารู้สักว่าดูาเราสักว่ารู้สักว่าดูเนี่ยรูปนามกายใจจะแสดงธรรมะเองเลยจะ แ, แสดงธรรมะเราจะเห็นสองงา น, นสองระดับเบื้องต้นเราจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเห็นไตรลักษ ความสุขเกิดขึ้นมาแล้วหายไปความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วหายไปคล้ายๆเราเรียนจิ๊กซอทีละตัวเรียนทีละตัวเนี่ยความสุขเป็นอย่างงี้เกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับกุศลเกิดแล้วดับไม่กุศลเกิดแล้วดับเรียนทีละตัวประมาเราจะเห็นกระบวนการการทํางานของจิตใจที่จะปรุงความทุกข์ขึ้นมาเช่นความสุขเกิดขึ้นมาจิตพลําลงไปยึดถือแล้วก็จิตจะทุก ถ้ามันเกิดอยู่จิตไม่ถลำเข้าไปยึดถือไม่ทุกข์หรอกแต่ตัวของมันเองเป็นทุกข์นะตัวของสภาวะแต่ละอันทนอยู่ไม่ได้เป็นใจรักแต่จิตไม่เป็นทุกข์จิตไม่ทุกข์จิตไม่ทุกข์เพราะจิตไม่ยึดคุณตรีวิวมาก่อนไหมมาทีมที่สองนะ้หมเป็นไงบ้างน้ำมาราเป็นยัง ปกติจิตกอารมณ์เนี่ยนะมักจะพน์พนกันอยู่ผู้คนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยจิตการมณ์เาจะรวมกันอยู่เลยเขาไม่สามารถแยกได้นี่พอเราปฏิบัติเนี่ยจิตจะค่อยๆถอดถอนขึ้นมาถอดถอนขึ้นมาเป็นลําดับลําดับนี่พอเราถอดถอนได้แค่นี้นะเราคิดว่าถอนแล้วเพราะแต่ก่อนมั น, ม, นมันรวมแน่น น, นี่เราค่อยสังเกตไปเรื่อยมันยังไม่หมดอะไรเงี้ย ยังมีอะไรแฝงอยู่ไหมค่อยๆดูจนกระทั่งสิ่งที่เคลือบแฝงอยู่ในจิตนี้รูดออกไปในจิตจะตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาออย่างนั้นอ่ะประคองนิดๆเนี่ยนะประคองไว้นิดๆเนี่ยะเนี่ยแฝงแฝงเข้ามาค่อยประคับประคองหน่อยๆมันยังมีการทํางานนะยังมีการทํางานคือมีการประคองไว้ มีความจงใจที่จะรู้อะไรเงี้ยค่อยๆสังเกตเจนกระทั่งจิตมันหลุดออกมาจริงๆคือระหว่างสมาธิกับปัญญาเนี่ยมันขัดเกลาึกันและกันสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิคือถ้าจิตของเราไม่ตั้งมั่นจิตของเราคลุกอยู่กับอารมณ์เนี่ยจะเกิดปัญญาไม่ได้จริงหรอกนะเพราะว่าในอภิธรรมก็สอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา สมาธิไม่ใช่แปลว่าสงบแต่แปลว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นรู้สึกตัวอยู่มันจะเห็นเลยว่าสภาวะทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรมเกิดขึ้นมาดับไปเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราอะไรเนี่อันนี้เป็นปัญญานี้พอจิตหรือบางทีจิตเคลื่อนเข้าไปเกาะอารมณ์จิตจะเห็นทุกข์เกิดขึ้นนี่ก็เป็นตัวปัญญาปัญญาสูงกว่าเห็นไจรั้งอีกจะไปเห็นอริยสัจ นี่พอมีปัญญารู้ทันว่าจิตเคลื่อนเข้าไปยึดถือแล้วจิตทุกข์จิตจะถอดถอนตัวเองตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมีปัญญาเนี่ยทําให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเกิดสัมมาสมาธิขึ้นอีกมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตเคลื่อนเข้าไปทํางานอีกเห็นทุกข์อีกะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญากับสมาธิก็เลยขัดเกลาร์ึ่งกันแล้วกันะยิ่งอาศัยกันละทิ้งไม่ได้นี้บางครั้งเรารู้อารมณ์รู้ไปรู้ไป livestock. จิตเราเคลื่อน เพื่อนไปอยู่ขอบขอบนอกจิตไม่ตั้งมั่นบางครั้งบางครั้งรู้สึกไหมคุณอมราเหมือนจิตมันไปอยู่ที่ขอบขอ บ, ขอบมันไม่ตั้งพอจะกำหนดให้ตั้งมันก็จะแน่นนะดันั้นเราไม่ต้องกำหนดถ้ากำหนดแล้วผิดน ะ, ะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือทําสมถะนิดหนึ่งทําสมถะนิดหนึ่งคือให้ใจเราไปจดจอ่ออารมณ์มันเดียวสะก่อนนะสมถะก็เป็นตัวช่วยตัวหนึง่งนะ แล้วหนูก็ถ่าดูคิดก็คิดคือก็ป่อยคือกำหนทันแล้วไม่เล่าร้อนคือวางได้แต่สมัยก่อนเนี่ยพอคิดหลายๆข้อทุกแล้วว่าเ้าปฏิบัติไ่อย่างี้ค่ะแต่ว่างีอคือก็ต้องดไปอย่างแบบเรามีหน้าที่มีหน้าที่ดูไปมีหน้าที่ดูค่อยดูไปเรื่อยนะ่อดูถูกเข้าใจถูกียจิตจค่อยๆถอดถอนขึ้นมา จิตจสับถอนออกมาเป็นตัวของตัวเองที่จริงจิตที่สัดถอนออกมาเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่จิตประหลาดอะไรเลยนะทุกคนมีแต่ทุกคนทิ้งมันไปอย่างรวดเร็วที่จิตของแต่ละคนโดยสภาวะปกติที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันแต่มันผ่องใสมันผ่องใสอยู่แล้วแต่เราชอบให้มันไหลเข้าไปไหลตามกิเลสเข้าไปเนี่ยชำเลืองชำเลืองรับที่ก็สล้ำลงไป เอดดีดูมอนรู้ไหมดูแบบนี้ทำให้ถลับเข้าไปข้างในนะค่อยสังเกตสภาวะเอาคือวิปัสสนาทำไม่ได้ถ้าไม่เห็นสภาวะทำไม่เห็นรูปธรรมนานมธรรมอย่างผู้เจริญสติที่ไม่ได้ทำสมาธิเลยเนี่ยทำไปช่วงหนึ่งจิตมันจะไม่มีกำลังไม่ตั้งมั่นพอมันจะไปรู้อยู่ที่ขอบขอบนอก มันจะไม่รวมเข้าถึงฐานจริงๆของความรู้สึกตัวถ้าเกิดสภาวะนั้นขึ้นมานะก็ทําความสงบขึ้นมานิดหน่อยจะรู้อะไรก็ได้สักอันเดียวรู้อารมณ์กรรมฐานะอารมณ์ของสมถะมีเยอะแยะอะไรก็ได้ไม่ต้องทําอะไรมากนั่งแผ่เมตตาก็ได้แผ่เมตตาไปแผ่เมตตาไปจิตใจสงบจิตใจเย็นพอจิตใจเยือกเย็นรู้ว่าจิตใจเยือกเย็น เนี่ยจะเข้าถึงที่ละนะเข้าถึงจิตถึงใจงั้นเราจะคล้ายๆเราดูแล้วเราเพลินจะอยู่ที่ขอบขอบนอกนะเป็นเวลาดูดจิงเอออย่างนี้นะอย่างนี้เงินไหลออกที่ขอบเหมือนเข้าไม่ถึงไข่แดงอยู่ที่ไข่าขาวโยดีละโยอย่าไปทำอะไรมันเมื่อกี้สังเกตทราบไหมเออโยรู้แค่เนี้ยเนี่ยสังเกตอีกแล้วรู้ไหม เนี่ยรู้ไปอย่างเงี้ยรู้เล่นๆอย่างเงี้ยในสุดจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาต่อไปพใจเราจะไหลเข้าไปอีกจะเห็นทุกชัดเลยคือถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถอดถอนออกจากกองทุกะจะเห็นทุกได้ไม่ชัดเหมือนสมมุติเอียงเนี้ยเมมติว่าบ้านเอี้ยงอยู่ข้างข้างอ่ที่ทิ้งขยะ ก, กรธรมะเหม็นมากแต่เอียงอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เกิดนะเอี้ยงไม่เหม็นเท่าไหร่หรอก จิตก็เหมือนกันจิตจมอยู่กับกองทุกมาแต่เกิดไม่ทุกเท่าไหร่นานๆทุกมากๆสักทีแต่ถ้าเมื่อไหรเราสามารถรู้สึกตัวขึ้นมาในจิตตั้งมั่นถอดถอ น, อ, น, อ, นออกจากกองทุกชั่วคราวเนี่ยพอจิตไหลเข้าไปอีกนิดเดียวจะเห็นทุกชัดเลยจะรู้เลยว่าอ๋อมันทุกรู้ว่าเหตุแห่งทุกคือจิตมีตัณหาพยานเข้าไปยึดอารมณ์เนี่ยเป็นตัวปัญญ า, าค่อยๆเรียนเห็นไหมสลำไปแล้วโยो ไปดูเหมืนอนอ้าวคุณปลางขึ้นมาขึ้นจากหลุมลูกชายไม่มาเออเนี้ยรู้สึกอย่างนี้นะเห็นไหมไม่มีน้ำหนักนะยากนะกว่าจะรู้สึกขึ้นคนหนึ่งคนหนึ่งยากมากเลยยิ่งถ้าเรายึดถือ อาจารย์มากมากลำบากพูดเยอะก็ไม่ดีเนาะด้วใจเราสลำกำหนดทั้งหมดทำงานเนี่ยหนีไปคิดละนะรู้ลงไปสี่ลกักษณะมากกับใครคุณนี้เคยมาไหมคุณนี้เคยมาไหมคุณนี่เคยมาไหม เค okay. มากับใครเนี่คื world, huh? อธรรมาจริงๆไม่ยากอะไรนะเอาพวกเก่าๆ เ, เอาใครจะส่งกันบ้านเชิญก่อนม <c oughs> <c oughs> ีคนใหม่ค่อยสอนทีเดียวพร้อมๆกันรอกันนิดนะึงเพรงั้นเริ่มต้นมาห ล, หลายๆรอบไม่ไหวมีเสียงเอดดีเป็นไงที่ทำไปเรื่อย ร ah, ู้สึกอเออนะรู้สึกไหมใจมันตั้งมั่นมากขึ้นแล้วมันมันมั่นคงกว่าก่อนแลเมื่อก่อนมันจะถลําเข้าไปแช่นิ่งๆไม่ไม่ไม่้ตรงนนะแต่ว่าะรู้ว่ารู้สึกว่ารู้รู้ได้ดีขึ้นใช่รู้ได้ดีขึ้นลงแล้วนะ นะดูใจไวะไม่ต้องรอฟังต่อเนะงั amine, ้นเดี๋ยวหลงรอไงคุณแสวว่าไงเป็นไงอาจารย์สุรวัตรสอนดีไหมก็ทรงทรงก็ยังดีไม่เสื่อมคุณไกลวาไงคุณไกล กิตใจจิตแการมมันยังแยกกันไม่หมดนะรู้สึกไหมมันเออมันโมหะมันแทรกอยู่หน่อยมันมัวรู้สึกไหมแบบนี้จิตถ้าเห็นสภาวะเราจะรู้ว่าเออจิตเรายังไม่ตั้งมั่นทีเดียวแตก็รู้ทันมันนะเริ่มค่อยตั้งขึ้นละทีแรกไม่มีใครสนใจอะไรใกลยๆสืบลงไปคุณกลางทําอะไรฟลาง เออเนะง่ายๆเลยทีสนใจมันรู้สึกตัวขึ้นมาออทิ้งมันไปโดยโยนมันทิ้งไปนั่นมันหลงไปแล้วไปเอามันทำไมออทิ้งมันไปเลยเออหลุดออกมาเลยนะสิ้นเรื่องไปเลยนิฟมานนิฟเป็นไง <c oughs> ขายบ้านหมดยังหรอรีบๆขายออบอกรีบๆขายแลนะ หนูหนาล่ะหนูหนาแต่คุณสุนันไม่ถามนะไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเครียดเอาแค่หนูหนา <c oughs> เป็นไงเ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ลอยสินนะรู้ใจไม่ได้รู้กายไว้พยันะยษมหน้ารู้สึกตัวแต่ดูกระดิกเลี้ยวซ้ายแลกขวารู้สึกตัวไว้ที่จริงสติปัฏฐานสี่เนี่ย ทำเพียงอันใดอันหนึ่งก็ถึงที่สุดได้ในคัมภีร์ก็สอนไว้อย่างนั้นแต่ตเราต้องทำเป็นนะอย่างเรารู้กายเนี่ยถ้าเมื่อไหรเราเห็นว่าไอ้ที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปประธรรมอันนึงปรากฏอยู่คำว่ารูปมันนั่งก็ได้ควาจริงไงคำว่ารูปนั่งก็ยังคิดเอาอีกรู้สึกกับเห็นว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรานะเมื่อไหร่เห็นว่าไม่ใช่เราเนี้ยจิตจะถอดถอนตัวเองขึ้นมา จะรู้ตื่นขึ้นมาเลยถึงเราไปรู้จิตถ้ารู้ถูกต้องนะเห็นว่าจิตใจหรืานามมา ท, ทั้งหลายก็ไม่ใช่เราเนี่ยจิตก็ถอดถอนออกมาสภาวะที่จิตหลุดออกมานะ่ยก็เป็นอันเดียวกันนั่นเองเพั้นจะปฏิบัติเนี่ยรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้บางคนถนัดรู้กายก็รู้กายไปถ้ารู้กายได้ถูกต้องจิตก็หลุดออกมานะจิตก็เป็นอิสระขึ้นมาได้ ถ้ารู้ใจได้ถูกต้องรู้อารมณ์ความรู้สึกทางใจถูกต้องจิตก็ถอดถอนออกมาเหมือนกันหรือบางคนขนัดทั้งรูปทั้งนามรู้ได้ทั้งกายทั้งใจเดี๋ยวก็รู้รูปเดี๋ยวก็รู้นามนั้นเรียกว่าเจริญธรรมานุปัสสนาก็ใช้ได้เหมือนกันอะไรก็ได้ถ้ารู้สภาวะธรรมถูกต้องตรงความเป็นจริงจิตก็ถอดถอนออกมาคือเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราจิตจะวางถอดถอนขึ้นมา ตั้งมั่นขึ้นมาชั่วคราวเอนดีทําอะไรนดี้เพลินไปแล้วเออเห็นไหมรู้สึกไหมตรงที่รู้ทันว่าเพลินเนี่ยใจมันวางมันโล่งขึ้นมาเนี่รู้สึกบ่อยๆครั้งแรกๆอาจจะยังจับสภาวะของความรู้สึกไม่ได้ทําบ่อยๆเดี๋ยวมันรู้สึกขึ้นมาชัด เอี้ยงดีขึ้นเยอะเลยเอี้ยงสงสัยเอี้ยงไม่ทำอะไรละมั้งอืมอืมอื ม, อ ม, อม เออถูกหรอกรู้จริงๆเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราปฏิบัติเป็นก่อนหน้านั้นเรายิ่งดิ้นรนใช่ไหมเราส่งใจของเราถลําเข้าไปข้างในเราไปดิ้นใหญ่ดิ้นดินดินนั่นหลงผิดเลยงานปฏิบัตินั้นง่ายกว่านั้นคือไม่หลงเข้าไปเท่านั้นน่ละยังก็ใช้เวลาห้าหกปี ทำความเข้าใจขึ้นมาไม่ช้านะคนที่เข้าใจเราช้าที่สุดนี่ยี่สิบปีแต่ยี่สิบปีแล้วยังไม่เข้าใจก็มีนะไม่ใช่ไม่มีพวกไหนคิดมากพวกไหนแสวงหามากดิ้นรนมากไม่เจอหรอกแต่รู้ทันมันเข้าไปตรงๆเลยใจเราถลําเข้าไป ยังดูใจที่ถล่าเข้าข้างในได้แล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมมันถล่าเข้าไปแต่ก่อนนะั้นถล่มแเราลงไปนอนแช่นิ่งอยู่ข้างในนะทุกทุกทุกสาหัสเลยก็ยังทนเราคิดว่านั่นคือการปฏิบัติะตอนนี้รู้แล้วว่าไอ้นั่นหลงผิดเราไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาแล้วทุกแบบนักปฏิบัติอย่างนั้นหนูนาไม่ทํานะไม่ทําทําละยี่ยงสังเกตนะใจเราชอบแอบทํางานรู้สึกไหม เออนีี่ยรื่องเคลื่อนไหวเวลาเคลื่อนไหวรู้สึกมันชัดขึ้นมาเหงือ น, นทํากรรมฐานที่เคลื่อนไหวดีกว่ากรรมฐานนิ่งๆแต่ไม่ใช่เคลื่อนซ้ำซากนะ <im> เคลื่อนซ้ำซากคเดี๋ยวก็ซึมเช่นบางคนนั่งเคาะไปเรื่อยๆเคาะแล้วก็ซึมเจ้านิเมื่อก่อนมันเขกหัวตัวเองนะเนี่ยเขกหัวป๊อกป๊อหัวงพามายกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอยู่เสมอแหละตัวอย่างฝ่ายไม่ดีนะเขกหัวป๊อกป๊อก จะปลุกความรู้สึกให้ตื่นอาจจะตื่นได้นะแต่ว่าคนอื่นเขาเห็นเนี่ยเขาจะรู้สึกสาสนาพูดน่ากลัวเกินไป <c oughs> เป็นไงเอาถูกต้องล้นะเวลาทำงานไม่ใช่เวลาทำความรู้สึกตัวเออ นั่นแหะบีตรงที่รู้ว่าเผลอทั้งวันเวลาที่ทำงานเนี่ยรู้สึกไม่ได้เวลาที่คิดน่ะรู้สึกไม่ได้เพราะถ้าเรารู้สึกตัวเราจะไม่รู้เรื่องที่คิดถ้าเรารู้สึกตัวเราไม่รู้เรื่องที่คิดรู้แต่ว่าจิตมันคิดนั้เวลาทำงานมีหน้าที่จดจ่ออยู่กับงานทำงานลงไปนี้พอทำงานไปสักพักหนึ่งขี้เกียจขี้เกียจไม่ใช่งานแล้วขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจ มีปฏิบัติแล้ะหรือทําไปแล้วเบื่อเนี่ยเบื่อรู้ว่าเบื่อมีปฏิบัติล้วการปฏิบัติจริงๆเราทําตั้งแต่ตื่นนอนนะเอี้ ย, ยเช่นตื่นมาวันจันทร์กับตื่นมาวันศุกรู้สึกไม่เหมือนกันใช่ไหมเราขร้าราชการหัวอกเดียวกันรู้จักกันดีตื่นมาวันจันทร์เนี่ยโห้แห้งแรงหน้าดูเลยตื่นวันศุกร์นะสดชื่นทั้งๆ ท, ที่ต้องทํางานทั้งวันเหมือนกัน ตอนตื่นนอนปุ๊บรู้สึกเลยจิตใจวันนี้วันศุกร์โอ้มีความสุขสมชื่อนะจะทานข้าวตาเห็นอาหารอาหารแต่ละอย่างที่ตาเห็นเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่เหมือนกันอันนี้เอียงดวออกเลยใช่หไหมเออเนี่ยปฏิบัติมันอย่างนี้ตั้งหากไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาทําอะไรหรอกคอยตามรู้ความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงเน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย นี่มันเ ป, นปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งเราสิ่งเร้าเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเอง่ตามองเห็นรูปเห็นดอกไม้สวยนี่เป็นสิ่งเราอันหนึ่งจิตเกิดยินดีให้เรารู้เท่าทันปฏิกิริยาของจิตเราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนทั้งวันแต่การที่จะลงไปดูเนี่ยไม่ลงไปนอนแช่เราดูอยู่ข้างบนไม่ถลํมลงไปเนี่ยตรงที่เราต้องมาดูอยู่ข้างบนเนี่ยเรียกว่าจิต จิตจะสึกขาหรือสมาธิทาสมาธิให้เกิดงั้นสิ่งที่ต้องเรียนตัวแรกถึงต้องเขี้ยวเข็ยียงนียต้องรู้สึกตัวนะต้องรู้สึกตัวจิตคือต้องตั้งมั่นหลุดออกมาไม่ใช่ไปตั้งอยู่ข้างในส่วนมากเราจะไปคิดว่าจิตตั้งมั่นอยู่ไปตั้งแช่อยู่ข้างในงั้นจิตหลงไงรู้สึกตัวคล่งองยัง โอ้เฝล่อนนานไม่ดีนะเฝือบ่อยๆดีอย่าเฝล่อนนาน